ปัญหาที่สิบเจ็ดถามความต่างกันแห่งวิญญาณเป็นต้นค่าแต่พระนาคเสนปัญญาวิญญาณชีพในพูดเหล่านี้มีอัฏฐะพยัญชนะต่างกันหรือว่ามีอัฏฐะอย่างเดียวกันมีพยัญชนะต่างกันขอถวายพระพรวิญญาณมีการรู้สึก เป็นลักษณะปัญญามีการรู้ทั่วเป็นลักษณะชีพในพูดคือผู้ใดที่เกิดแล้วไม่มีข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าถ้าไม่มีชีพเป็นตัวเป็นตนก็ใครเล่าเห็นรูปด้วยตาได้ฟังเสียงด้วยหูสูดกลิ่นด้วยจมูกริมรสด้วยลิ้นสัมผัสด้วยกายรู้จับอารมณ์ด้วยใจ ขอถวายพระพรถ้าชีพเห็นรูปด้วยตาตลอดถึงรู้จักอารมณ์ด้วยใจแล้วเมื่อเปิดตาขึ้นชีพนั้นก็ต้องมีหน้าไปข้างนอกต้องได้เห็นรูปดาวได้ดีเมื่อเปิดหูจมูกลิ้นกายใจชีพนั้นก็ต้องหันหน้าไปภายนอกรู้จักอารมณ์ได้ดีอย่างนั้นหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระผู้เป็นเจ้า ขอถวายพระพรถ้าอย่างนั้นชีพก็ไม่มีในพูดชอบแล้วพระนาคเสนอธิบายคำว่าอัถฐคือแปลมีความหมายส่วนพยัญชนะคือแปลตามศัพท์หรือที่เรียกกันว่าแปลยกศัพท์นั่นเอง